ด้วยอำนาจของอตัรหานะดังนั้นการเดินสติช่วยให้เราลดนะความเข้มข้นของตัญหาหลงเป็นการเจือจางความเข้มข้นของตัญหาประทานแล้วก็ทำให้เราสลัดทิ้งตัวคิดตัวอยากได้ง่ายขึ้นเมื่อทิ้งตัวคิดตัวอยากได้ขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายเมื่อจิตระบาสบายก็เป็นเหตุการให้เกิดสมาธิและปัญญาและสมาธิปัญญาตัวนี้ก็จะทาให้เรานาไปใช้ได้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 อันนี้คือเป้ออาหมายของเราเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งยกมือนานๆเดินนานๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นเวทนาทางกายและเวทนางจิตให้ชัดเพราะเวทนาทางกายทั้งที่ดีและไม่ดีมันก็ปรากฏให้เราเห็นเวทนาทางจิตทั้งที่ดีและไม่ดีมันก็ปรากฏให้เราเห็นตลอดใช่ไหมแต่เราเนี่ยต้องฝึกเข้าไปจัดการกับมันให้เป็นต่อเมื่อเราไปอยู่เหตุการณ์ที่บ้านยมันก็เหตุการณ์เดียวลักษณะนั้นแหละแต่มันก็ เพียงได้เปลี่ยนหน้ากันมาเท่านั้นเองไม่ได้พ้นขอบข่ายไปเรื่องของโลกโปดหลงหรอกนันั้นพอเราฝึกจนนี้จะชำนาญเดินร้อยเดินร้อยรอบพันรอบสร้างจังหวะร้อยครั้งพันครั้งมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเราฝึกเข้าไปจัดการอะไรกับมันได้บ้างยกมือแต่ละครั้งบางครั้งความคิดมีบางครั้งความคิดไม่มีบางครั้งเฉยเฉยบางครั้งก็ไม่เฉยบางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบบางครั้งอึดอัดบางครั้งโปร่งใส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 แล้วก็สามารถจะเห็นทั้งสองด้านของอารมณ์พอไปชีวิตจริงมันก็จะมีอารมณ์แค่2ด้านโชว์ตลอดใช่ไหมด้านน i v e ที s พสิทีด้านดักด้านชังด้านดีด้านชั่วด้านบุญด้านบาปด้านหนักด้านเบามันก็ปรากฏแค่2ด้านเพราะมิติสองด้านนี้มันก็มาจากของเดิมมันก็คืออะไร original source ของมันก็คือการเกิดและการดับใช่ยมพรรษรู้เข้าใจได้หรือเปล่าเรื่อง o r i g i n a o r